อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเมื่อเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทั่วประเทศนะคะกลับมารับฟังรายการธรรมารับอรุณคะ่ะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จัดรายการธรรมารับอรุณนี้เป็นรายการที่เปิดเพื่อเป็นมงคลแก่ทางสถานีเองแล้วก็นําสิ่งดีๆมาให้ท่านฟังเป็นการเริ่มต้น การใช้ชีวิตในแต่ละวันประจําวันของท่านกันนะคะรายการธรมรมาราบรุนนั้นสําหรับในช่วงของวันเช้าวัวนเสาร์วันอาทิตย์อย่างเช่นเราพบกันในวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17มีนาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม10บค่าเดือน4ปีเถาะ อ, อยู่นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ที่จะสักษาหรือว่าสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโญคะ่ะ ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตร อ, อบรมปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิธิพภะภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะวัดป่าดอนหายโศกของเรานี้ก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนประจํารายการคงจะรู้จักกันดีแหละค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านก็อาจจะเคยไปเป็นลูกศิษย์ที่ ของพระอาจารย์ภับูรณ์มาแล้วก็คือไปร่วมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธวจนะกันมาบ้างแล้วนะคะค่ะเพื่อเป็นในชาววันนี้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้อมักการพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะคือพระอาจารย์ภพบูรณ์อภิปุนโนค่ะกราบน้อมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะสําหรับเช้าวันเสาร์กลางเดือนมีนาค ม, มนะเจ้าคะโยมอยากจะขออนุญาตจะเอาอจดหมายซึ่ง แฟนรายการของเราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะเจ้าคะ่ะใช้นามว่าคุณกัลยาเพชรบูรณ์เนี่ยนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ดีกว่านะเจ้าคะ่ะได้ไเจ้าคะ่ะยงนั้นโยมขออนุญาตเริ่มเลยนะเจ้าคะ่ะประเด็นของคุณกัลยานี้ก็นะ่าสนใจบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พบูบุญที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณตนใจและทีมงานธรรมารับอรุณได้รับฟังคําอธิบายจากพระอาจารย์แล้วนับได้ว่าเป็นบุญอย่างยิ่งต่อตนเองค่ะจากที่เคยหงุดหงิด ขัดข้องใจเวลาไปทำบุญที่วัดของหมู่บ้านตนเองก็เพียงแต่ว่าคอยเฝ้าระวังจิรักษาจิตของตัวเองด้วยสติและศีลอันนี้ก็ทำให้จิตใจแ จ, จ่มใสแล้วก็มีเมตตาได้ง่ายขึ้นไม่โกรธง่ายแล้วก็ไม่ล่นลานในยามที่ขับขันเข้าใจในอาการของคนอื่นอย่างเป็นธรรมดาทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ขอนอบน้อมบูชาใน พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมและก็ในพระสงฆ์เป็นที่สุดตลอดไปนะคะและนอกจากนั้นคุณกระยาก็บอกว่าขอรายงานการเปลี่ยนแปลงการติดตามรับฟังรายการผ่านทางคุณเตือนใจด้วยอันนี้ก็คิดว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะได้รับทราบกันต่อไปทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะ ก็คือว่าคุณกระยาบอกว่าจากวันเวลาที่ผ่านมานานพอสมควรที่ได้ติดตามรับฟังรายการธรรมารัปรุณผ่านคลื่น1นึ่้งเมกะเฮิร์์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจูบู์ด้วยดีมาตลอดนั้นก็ดีมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคที่ไม่สามารถรับฟังได้โดยเหตุผลที่มีคลื่นแทรกจากการรับฟังไม่ได้เป็นคลื่นคือรับฟังไม่ได้ เป็นคลื่นของทางวิทยุชุมชนในท้องถิ่นคุณกระยาก็ได้วงเล็บมาด้วยว่าเป็นของวัดไพรสนศกดารามอยู่ที่อำเภอหล่มสักคลื่นเขาก็ 103.00 นคือ1้3ยมเร์นั่นเองซึ่งก็ใกล้เคียงกับ 102.75 ของสวทอเพชรบูรณ์ค่อนข้างมา ก, กแล้วก็เปิดสถานีในเวลาเดียวกันคือตี5ด้วยก็เลยรู้สึกว่าจะทำให้มีปัญหาในการรับฟังคุณกรยาก็บอกว่า คงจะเป็นอย่างที่พระอาจาร ย, ย์ไพบูลได้สอนนะเจ้าคะคุณกระยาบอกตรงนี้เลยว่าไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันได้ติดตามฟังทางอินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละครั้งก็เป็นสุขแล้วและก็จะติดตามตลอดไปพร้อมกับขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์และคุณจินใจทค่ทีมงานมณนะูรอกาสนี้ด้วย <c oughs> ก็คือคุณกระยาเพชรบูรณ์นะเจ้าคะ <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะกราบนมัะสะการให้พระอาจารย์ ให้บุญได้เมตตาที่จะสักษาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาจิตของตนเองด้วยสติและศีลอะไรต่างๆนั้น <S <S อายพุพรายตรงนี้นะเจ้าค้าเรียนคุณกัลยาว่าตัวเดนเองนั้นจะได้นําสิ่งที่คุณกัลยาได้กรุณาที่จ ะ, ะแจ้งผลการรับฟังมานี้นะคะแจ้งให้ทางผู้พัฒนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์และก็ส่วนกลางด้วยได้รับทร า, <S <S าบถึงปัญหาค่ะ เราก็คงจะต้องแก้ไขในทางทเทคนิค ก, กันต่อไปนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หมายถึงว่าไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคลื่นหลักจะถูกวิทยุชุมชนมาเบียดแทรกจนทำให้คุณกระยาและก็ท่านผู้ฟังอีกหลายๆยท่านซึ่งอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับคุณกยานั้นเนี่ยไม่สามารถจะรับฟัง รายการจากสถานีหลักของเราได้นะคะอันนี้ก็รับไปว่าจะไปนำเรียนให้ได้แก้ไขกันต่อไปนะคะคราวนี้ก็ย้อนมาถึงพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่คุณกรยาได้เขียนมาตอนต้นอย่างที่โยมได้อ่านไปแล้วนะเจ้าค่ะบอกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งต่อตัวเองที่ว่าเคยหุดหงุดหงิดใจเวลาไปทำบุญอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็มา อพอฟังจากที่พระอาจารย์ได้สากชาเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาจิตของตัวด้วยสติและศีลนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าจิตใ จ, จแจม่มใสแล้วก็มีเมตตามากขึ้นไม่โกรธง่ายไม่ลนลานในยามคับขันหรือที่เราภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแพนิคอย่างนี้นะเจ้าค่ะ <c oughs> อนึตอนตนอนตอนกไปหมดยัง <c oughs> อันนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิีการเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสากชาเลยเจ้าค่ะสาธุ จะขอพูดถึงเรื่องของรายการตรงนี้นิดหนึ่งว่าอย่างท่านผู้ฟังที่อาจจะมีปัญหาในการรับฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรทางเรียกว่าทางวิทยุนะซึ่งถ้ามาที่เว็บไซต์พิเอลธารมา m อทเราก็จะมีลิงก์คือเชื่อมโยงไปให้เปิดเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งที่อาตมาได้ทำเอาไว้เพื่อที่จะให้รวบรวมรายการตอนที่ผ่านๆมาเป็นการฟังออนไลน์่ค่ะก็สามารถ ด, ดีมากเลยชัค่ะ สามารถไปดูได้แล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ในเวลาไหนก็ได้ในอย่างไรก็ตามถ้าผอว่าต้องการจะรับฟังทางวิทยุก็คงจะต้องให้ทางคุญเอใจรับเรื่องเทคนิคไปเนาะเจ้าค่ะยมรับไปนะเจ้าค่ะที่จะบอกทางฝ่ายเทคนิคของเราให้ได้ปรับปรุงแก้ไขเจ้าค่ะทีนี้ว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยก็ต้องขอพูดนิดหนึ่งว่าฟังตรงไหนมันก็ดีหมดนั่นคือธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นถ้าใจเรา บางคนเนี่ยไม่ได้ต้องฟังธรรมะขนาดแค่เห็นอะไรสักนิดหน่อยอย่างเช่นเห็นคนขอทานหรือเห็นใบไม้ร่วงนะคุณเฉินใจโอ้ยเราก็มาอาจจะมีความคิดว่าโอ้มีความเมตตาสงสารมีเห็นความไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยธรรมะก็เกิดขึ้นในจิตของเราทันทีะนะพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะสบายเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะคืออยู่ที่ข้างในจิตของเราทีนี้ผัสสะอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าใจของเราเนี่ย มีการเตรียมพร้อมไงคุณตือนใจพ <Okay. S 1> อใจของเรามีการเตรียมพร้อมแล้วอะไรมากระทบมันจะเห็นเป็นธรรมะไปหมดอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ที่เขาฝึกจิตดีแล้วเนี่ยนะท่านที่มีการสํารัมอินทรีย์เห็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะวื้ยหวาฟูฟ่ฟาอย่างเงี้ย <c oughs> ท่านก็จะมีเห็นธรรมะในจิตของท่านได้น่าจะสามารถละวางสิ่งที่เกิดขึ้นละวางความอยากอย่างเงี้ยหรือว่าละวางความอยากในของสวยๆงามๆนะวางได้เห็นว่าอันนั้นเป็นโทษอันนี้ก็จะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในจิต ยังยก็ริ่องสมรณกัลยาที่สามารถเรียกว่ามีการเฝ้าระวังจิตของตนเนี่ยด้วยใช้คําว่า ด, ด้วยศีลแล้วก็ด้วยสติเนี่ยตรงนี้ตรงกับพุทธวจนะที่เคยบอกภิกษุรูปหนึ่งคือมีภิกษุรูปหนึ่งในสมัยนั้นคุณเตือนใจเขาก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอว่าเออเนี่ยขอให้พระองค์ช่วยบอกกรรมฐานซักบทหนึ่งได้ไหมที่เมื่อข้าพระองค์ทําตามแล้วเนี่ยจ ะ, ะจะบรรลุได้พระพุทธเจ้าก็ ใส่เลยคุณเตินใจบอกว่าเนี่ยเราบอกไปหลายรอบแล้วว่าให้ทำงี้งี้แต่เธอก็แทนที่จะเฝ้าไปฝึกจิตก็ยังมามัวติดตามเราอยู่นั่นไม่สนใจในการที่จะหลีกไปอยู่บุ่ยเดียวอล้วก็โดนพูดอย่างนี้ปุ๊บวิสุทนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองผิดใช่ไหมก็เลยถามใหม่ถามในลักษณะที่ว่าถามว่าเขอให้พระองค์เนี่ยช่วยบอกนกรรมฐานที่เมื่อพระบรมรับทราบแล้วนะจะเป็นผู้ที่เป็นทายาทของธรรมนั้น นะคือปฏิบัติตามธรรมนั้นคือปฏิบัติตามที่บอกอ่ะเข้าใจไหมคือพระเจ้าบอกแล้วเธอก็ไม่ทําตามยังมั ว, มวตามเราอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แล้วทีนี้ตามใหม่ก็ให้บอกพระเจ้าก็จึงบอกบทนี้ไปนะบอกว่าให้เธอตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยอาการ3อย่างนั่นะคือศีลกับสติมาด้วยกันนะคือให้ตั้ง <Okay. S 1> อยู่ในศีลสํารุมด้วยปฏิโมกอย่างดีใช่ไหมถ้าภิกษุสง์ก็จะมีศีลตั้งแต่150ข้อเป็นพันๆข้อเลยพิกสุเนี่ย มีศีลเป็นพันๆข้อเลยน ะ, ะให้เธอปฏิบัติตามนี้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในศีนะแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4ีโดยอาการ3อย่างนะเจริญสติปัฏฐาน4ีลในะสติเนี่ยแปล ว, ว่าฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงสติไปบว่าความระลึกได้ใช่ไหมผดฐานเนี่ยก็คือฐานที่ตั้งเพรา ะ, ะนั้นก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงระลึกถึงว่าจิตของเรานี่จะต้องไม่ไปอยู่ในแดนลบ นะั่นคือถ้าจิตของเราแบบเราไปงานวัดอื่นๆอย่างเงี้ยอาจจะเชิงหงุดหงิดบ้างเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราเคยทํามาเจคอคนโน้นพูดกันเสียงดังมันจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นใช่ไหมแสดงว่าจิตคุณตั้งอยู่ไม่ดีแล้วนะพอจิตคุณตั้งอยู่ไม่ดีคุณจะต้องมีที่ระลึกถึงให้จิตดึงจิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่ ท, ที่ดีแนะที่ที่แห่งการระลึกถึงพระเาก็ให้ไปแล้วคือเรื่องของกายใช้กายก็ได้ให้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะใช้เวทนาคือความรู้สึกก็ได้ ให้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคือแทนที่เราจะไหลไปภายนอกสมมติคนมาทําให้เราโกรธอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นในจิตที่มันจี้ขึ้นมาเขาด่าเราอย่างเงี้ยเราก็จะไหลไปเลยโอยมันพูดอย่างนี้กับเราเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้พ่อมันเป็นอย่างนี้แม่นเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ฉันจี้จะด่ามันอย่างนี้คือไหลไปภายนอกแล้วนะจิตจเราถูกกระชากดึงไปภายนอกแล้วแต่เมื่อไรที่ให้เราดึงจิตของเรากลับมาให้อยู่กับความโกรธในภายในในะอยู่กับทุกขเวทนาก็แหละนะคืนก็มาระลึกถึงความ อ, อ เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์คื อ, อมีสติตรงนีน้นี่ก็เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้คือไม่ให้จิตของเราไหลไปในภายนอกไหลไปในที่ไมด่ดนะีหรือว่าคุ ณ, คณจะใช้ตัวจิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้คือผู้ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์นั่นก็คือจิตผู้ที่เข้าไปรับรู้ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนี่นคือจิตทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้มันจะอยู่รวมกันอยู่ในลมหายใจนนะั้ลมหายใจเนี่ยของเราเนี่ยพระชาตาบอกว่าคือกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมด4อย่างเลย นะเป็นต่างที่ตั้งของกรารระลึกถึงแม่จิตของเราไปใ น, ในภายนอกได้แล้วมันก็จะมาสอดคล้องกับตรงที่คุณกรยาปฏิบัตินะก็คือพอมาระวังรักษาจิตของตัวเองด้วยการสังเกตลมหายใจใช่ไหมคหนอื่นทำอะไรไม่พอใจปุ๊บเราเข้าหาลมหายใจคุณอื่นทําอะไรขึ้นมาที่เราไม่พอใจทําให้เรามีความกระเทืนปุ๊บเราเขาหาลมหายใจในะจิตของเราก็จะค่อยๆวางไดนะ้มีความแจ่มใสมีเมตตาไม่โกรธง่ายได้ง่ายขึ้น ในเวลาโดยเฉพาะอย่างยิง่งในเวลาที่มีความคับขนันอย่างนี้คุณเตืนใจบอกแพนิคขึ้นมาเงี้ยแลเราโอ้ oh, ทํำไมไม่ถูกเลยบางคนนี่ปัสสวาวะราดเลยนะคุณเตืนใจโอย oh, เรามาเคยเห็นมาเ อ, อ, อย่างเด็กหรือว่าผู้ใหญ่แม้แต่าบางคนเถอะอยู่ในสถานการณ์ขับขนันอ้าวทำไมเปียกขึ้นมาแล้วแล้วก็เพราะว่าเขาไม่มีสติได้ฝึกมาัจิตคือไม่ได้ยังไม่ได้รับการฝึกมาเพราะฉะนั้นพอเราฝึกจิตเข้าไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึงจุดที่ว่าเราจะค่อยๆรู้ซึ้งไปในจุดที่ว่า โอ้เราวางได้นะเราทําจิตให้มีเมตตาได้ง่ายขึ้นจำใส่ได้ง่ายขึ้นนะเป็นลักษณะนี้แล้วพอจิตคนที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความแบบอิ่มเอิบใจความสบายใจนะคุณเตือนใจค <Okay. S 1> เ อ, อว่าโอ้ฉันไม่ทุกข์แล้วแหะเรื่องพวกนี้มันเด็กๆ <Okay. S 1> เหมือนอย่างสมัยก่อนเราเราเล่นของเด็กเล่นอะนะ <Okay. S 1> เล่นของเด็กเล่นเนี่ยโ๊ยเรายึดมั่นถือมั่นในของเด็กเล่นมากคุณเตือนใจเ่าคเออใครจะมายืมใครจะมาแตะไม่ได้เลยนะ อย่างตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาของเราเนี่ยเขาจะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนหรือทําอะไรให้เปื่อนนิดนึงเราจะจี๊ดขึ้นมาทันทีเป็นเด็กนะแต่พอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่นของเด็กเล่นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจว่าโอ้ยฉันเป็นอิสระเรารู้สึกว่าแบบเรานิ่โง่สมัยก่อนไปยึดติดล่งสบายขึ้นเยอะเราจะมีความสบายใจอย่างนี้เหมือนลักษณะคุณกัลยาที่ว่าไปเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้เป็นต้นนะนะ ทีนี้เออเรื่องของอความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นจริงไงมันไม่ใช่ของเด็กเล่นไม่ใช่ขนมมะข้าวมาแกงเด็กเล่นไม่ใช่โดดหนังยางอะไรเด็กเล่นอีกแล้วมันเป็นของจริงโดนโด น, โดนจริงๆเจ็บเจ็บจริงๆในใจในีใจเราจริงๆนะซึ่งอาตมาก็จะต้องบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกับของเด็กเล่นนะพอเรารับรู้ตรงนี้แล้วเราวางได้นะใจเราจะสบายน ะ, ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเรามีปิติเรามีสุขอย่างเงี้ยเราเราเราพบอะไร แล้วเราเพบว่าเอ้ยเรคลายความถูกไปได้คือกระบวนการที่พระเจ้าให้มานี่ยแม่ถูกต้อง <Okay. S 1> ได้ผลคุณจึงมีความมั่นใจในพระธรรมนะพะมีความมั่นใจในพระธรรมแล้วเนี่ยคือกระบวนการของการแก้ปัญหาใช่ไหมพอคุณกัลยามีความมั่นใจในกระบวนการการแก้ปัญหาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีความมั่นใจว่าโอ้คนที่คิดค้นตรงนี้ได้เนี่ยมีแน่นอนแล้วนทะาให้คุณคุณกัลยาเนี่ยมีความขอนอบน้อมบูชาในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสมเด็จ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้า มันกลับมาคือมีความมั่นใจว่าโอ้พระพเจ้ามีแน่นอนนะคืออย่างเราเคยพูดถึงการทดลองไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะนะคุณไปจับเอามือแหย่ในปลั๊กดูไฟฟ้าช็อตไหมเอ า, เอาที่ ม, <อ>มันมีไฟเอาชอ็อตใช่ไหมแสดงว่ามี<อ>ไฟฟ้าคุณมีไฟฟ้าแสดงว่าคุณต้องเคยรู้ถึงว่าโอไมเคิลฟาราเดย์นี่มีจริงอ่าไมเคิลฟาราเดย์นี่เป็นคนที่ค้นคบเรื่องไฟฟ้านะเขาเอาว่าวชักขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ให้ฟ้าผ่าลงมาทดสอบแรงต่างา น, นะ <Okay. S 2> ซึ่งมีการระบบทําไฟฟ้าพวกนี้เราจึงมีความมั่นใจว่าโ oh อ้ไมเคิลฟาราเดียนี่มันมันน่าจะมีจริงนะมันคิดค้นระบบไฟฟ้าตรงนี้ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> ซึ่งเราพอเรามีความมั่นใจตรงนี้นะเราปฏิบัติไปตามธรรมะเราเห็นผลไปตามลําดับลําดับเนี่ยเรามีความมั่นใจขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จะมั่นใจว่าพรุชามีจริงนะตรงนี้ก็จะเป็นผลที่สืบเนื่องมาแล้วเราพอพอเราปฏิบัติได้เนี่ยคุณนใจเราจะมีความคิดอย่างนี้ว่า โอ้พ่อแม่พี่น้องคนใกล้ตัวลูกน้อง เ, อเพื่อนเราญาติเราแม่เขาน่าจะรู้ด้วยแตนะตรงนี้ก็จึงทําให้มีความมั่นใจว่าคนอื่นคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามาปฏิบัติตามกระบวนการนี้เขาก็จะพ้นทุกได้เหมือนกันแต <Okay. S 1> นะ่ตรงนี้คือความมั่นใจในพระสงฆ์คือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณเตือใจต้องบอกงี้ว่าเป็นใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องสวมเครื่องแบบ นุ่งก้นผมผ ม, ผมเหลืองพวกนี้ไม่จําเป็นแต่สง <Okay. S 1> สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพูดถึงคนดีนะคนหน า, น า, นาธรรมดาเนี่ยถ้าคุณมาปฏิบัติตามธรรมาแล้วเป็นคนดีก็ไม่ได้นั่นแหละคือสองสาวัของพระผู้มีพระภนะาคทำให้เรามีความมั่นใจมีความซาบซึ้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลําดับที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความมั่นใจในพระธรรมพระพุทธและวก็พระสงฆ์ในะความมั่นใจในกระบวนการใช่ไหมอย่างที่คุณกัลยามีแล้วก็จึงมีความมั่นใจว่าพระพุชธเจามีจริงแน่นอน เราก็ทำให้ตัวเองคิดถึงพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าอะไรต่างเพื่อนฝูงแตนะ่ถ้าเขามารู้มาปฏิบัติอย่างนี้เขาจะสบายใจขึ้นไปได้นั่นก็คือความมั่นใจในสงฆ์นะั่นคือผู้ใครก็แล้วแต่มาปฏิบัติตามนี้คุณได้แน่เจค่ะออพอสามอย่างนี้มีความมั่นใจขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีที่พึ่งนั่นคือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตอย่างนี้เราก็เข้าหาที่พึ่งนี้ นะอย่าไปเขาเรียกว่าเรื่องนอกแนวอะไรอย่างเงี้ยมัน ก, ก็จะทำให้เราลำบากใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่างปัญหาที่เราเจออย่างสมมุติไปวัดต่างๆอื่นๆ น, นะเขาทําไม่เหมือนกันมีความผิดอะไรเกิดขึ้นเวลาไปทําบุญในวัดหมู่บ้านของตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเราวิ่งเข้าหาพระพุทธศานประ ส, สงค์นะเราไม่ได้ไปแนวอื่นนะเช่นใช้เครื่องรังของคลังหรืออะไรที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยเราจะสบายใจเราจะใช้แก้ไขปัญหาตามระบบที่ถูกต้องก็จะเกิดผลอย่างที่ คุณกัลยาปฏิบัติมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็ะะเรียกว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในศีลแล้วก็เจริญสติอยู่เสมอนะเจ้าค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีใจเป็นสุขมีความสุขอยู่ในใจตะลอดเวลาเลย ม, มีความสงบสุขนะเจ้าค่ะเ<ช>ห ล, ล่านี้ล้วนเป็นอนิสงส์ทั้งสิ้นใช่ไหมเจ้าคะอพระาจารย์เจ้าค่ะต้องคือศีลกับสติเนี่ยเป็นกระบวนการ เป็นวิธีการกระบวนการคุณทําตามวิธีการนี้คุณทําตามกระบวนการนิพ้ผลที่คุณจะได้คืออะไรจิตที่มีวิชาเกิดขึ้นจิตที่มีความรู้เกิดขึ้นไม่ไปหลงไปในความทุกข์อื่นๆจิตคุณจะมีความสบายาเป็นอันนี้สองที่คุณจะได้รับก็คือเย็นสบายอยู่ได้ในทุกที่นะเจ้าค่ะใช่ทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งจากที่คุณกระยาพูดถึงเรื่องของศีลกับเรื่องของสติใช่ไหมเจ้าค่ะสติตรงนี้ที่พระเจ้าเคยบอกภิกษุรูปนั้นว่าให้ไปเจริญสติปัณฑ์ทั้งสี่โดยลักษณะสามอย อันนี้คืออะไรนั่นก็คือเคยพูดถึงให้เป็นพูดตามเห็นกายในกายในตนเองตามเห็นกายในกายในผู้อื่นตามเห็นกายในกายทั้งในตัวเองและผู้อื่นนัคือ3อย่างเนี้ยทั้ง4อย่างนั้นทั้งในสติปัฏฐานทั้ง4ด้วยลักษณะ3อย่างนี้นัเช่นเห็นเวทนาในตัวเองเห็นเวทนาในคนอื่นเห็นเวทนาในทั้ง2ฝ่ายอย่างเงี้ยตรงนี้หมายความว่าอะไรคือหมายความว่าเราต้องรอบรู้ทั้งหมดรอบรู้ทั้งปวง ในสมมติมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตของเราอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโอ๊ยความทุกข์ฉันไม่อยากได้หรอกแต่ความสุขฉันอยากได้ซึ่งสุขกับทุกข์เนี่ยคุณคุณแก้ปัญหาไม่ถูกเหตุไงอย่างสมมุติว่าเราเรามีความพูดขึ้นว่าความทุกข์ฉันไม่อยากได้นะความสุขฉันอยากได้แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าสุขกับทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นของที่คุณจะเอาหรือคุณจะไม่เอานะสุขกับทุกข์เนี่ยเป็นของที่คุณจะต้องรอบรู้แต่ว่าความอยากทั้งอยากและไม่อยากเนี่ยเป็นของท้งิ องที่ต้เพราะนั้นมันมันมันมาปนกันไงมันมาปนกันคือความอยากกับความทุกข์และความสุขเนี่ยมาปนกันความอยากความไม่อยากความทุกข์ความสุขมาปนกันใช่ไหมพระเจ้าให้แยกเอานะส่วนที่ต้องทิ้งไปคือความอยากและความไม่อยากส่วนที่ต้องรู้ให้รอบคอบคือความทุกข์และความสุขเพราะฉะนั้นพอเรามาเข้าใจกระบวนการที่พระเจ้าบอกว่าเออตัวเองคุณก็ต้องรู้นะของคนอื่งคุณก็ต้องรู้นะแล้วก็รอบรู้ทั้งสองฝ่ายนะก็คือรอบรู้อย่างนี้ แต่บางทีเราต้องละนะบางทีเราต้องรอบรู้นะรอบรู้ในเรื่องอะไร <S <S ในเรื่องที่ว่าโ อ, อา้ของดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีคือในของทุกอย่างเนี่ยคุณตือนใจมันมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหะ <Okay. S 1> แล้วมีวิธีการที่ทําให้ข้อเสียของมันเนี่ยหมดไปสมมติเราจามาพูดถึงการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยบางคนฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขไปตกปลาไปยิงนอกอย่างเงี้ยมีความสุขใช่ไหม <Okay. S 1> ความสุขของคุณคืออะไรมันมีข้อดีคือทําให้คุณมีความสุขคุณกินอร่อยปากเทนั้นเองนะความทุกข์คืออะไร นะข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะทําให้คุณถูกตีเตียนทําให้คุณมีปัญหากับเพื่อนบ้านทําให้คุณไปโรงไปศาลทําให้คุณไปตกนรกโอ้วิธีแก้ทํายังไงเลกิกอย่างนี้เป็นต้นร <อ possible. S 2> เราพูดถึงการทําสมาธิอย่างเงี้ยทาสมาธิสมาธินี่มีก็ดีนะมีก็ทําให้จิตเราสงบเป็นต้นข้อดีของมันแต่ข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันคือมันเสื่อมไปได้จางคลายไปได้แล้ววิธีแก้ข้อเสียของมันทํำยังไงให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะ พอเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้แต่ไหมสมมุติคนเราเห็นคนชั่วเราเห็นคนชั่วเราพบว่าอะไรเราพบว่าโอ้คนชั่วนะมันทํอย่างนี้ใช่ไหมข้อดีของเขาคืออะไรอของเขาคือทําให้เราเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรละอะไรเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมแล<ด>้วคนเราควรจะทําไงกับตรงนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหานก็คืออย่าไปยุ่ ง, ขงเขาอย่างเงี้ยคือจะเป็นผู้ที่รอบรู้ด้วยอาการทั้งสามอย่างนี้ออืเจ้าค่ ะ, ะคือไม่ไปยุ่งกับเขา แล้วก็ไม่ต้องประพฤติตัวเช่นนั้นด้วยใช่ไหมเจ้าคะเป็นตัวี่คือความรอบรู้ที่พระอาจารย์กล่าวถึงตามพุทธวจนะใช่ไหมเจ้าคะแล้วประกฏว่าภิกษุรูปนี้ก็ทํายังไงรูไ้ไหมคุณเตือนใจพอพระเจ้าบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็หลีกออกไปนั้นหลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็ไปทําความเพียรอย่างที่พระเจ้าบอกตั้งอยู่ในศีลเจริญสติปัฏฐานตั้งศีด้วยาการ3อย่างอย่างนี้เนี่ยด้วยเวลาไม่นานภิกษุรูปนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ้าคะในที่มาเขียนมาในพระไตรปิฎกอ เพราะฉะนั้นอย่งกรณีหนึกุลยาคุณก า, ณกยาลยาหรือว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยให้รักษาสินของเราให้ดีนะสินของฉันเอาไม่ต้องเอาอะไรมากมายเอาแค่เบื้องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นเลยเอาแบบว่ า, าพื้นฐานพื้นฐานใช่สินหความปกติของบุคคลในโลกนี้ทุกคนไม่ว่าคุณไปที่ไหนไปต่างประเทศไปเหนือล่องใต้ต่างประเทศหรือแม้แต่ดาวดวงไหนก็แล้วแต่เธอถ้ามันจะมีน ะ, ค, ะคุณก็ไม่พึงคาดสับ นะไม่ปึงรักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุรามีไรนะไม่มีที่ไหนในโลกเขายกย่องคนประเภทนีนะ้มีแต่เขาจะออกกฎหมายมาห้ามนะบางอย่างสุราอย่างเงี้ยคุณบอกว่าเอ้ยทั่วโลกเขาดื่มกันเป็นประเพณีแต่เขาเก็บภาษีสุรามีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่มโฆษณาสุราเขาก็ไม่ให้ออกทีวีหรอกเขามีแต่จะห้ามขึ้นห้ามขึ้นนะหมออะไรต่า ง, า ง, างๆเขาก็พูดว่าการดื่มไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะ นนเรื่อไม่ต้องพูดถึงเรื่องโกโหกลักทรัพย์พฤติภิตในการฆ่าสัตว์เลยพวกนี้ยิ่งไม่ดีมากเห็นได้ชัดเจนเจ้าค่ะซึ่งถ้าเรามีความมั่นใจของเราเนี่ยว่าเราไม่ประพฤติผิดตามศีลไม่ประพฤติผิดออกจากศีลเป็นผู้ที่มีความปกติอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะมีความ เ, าเรียกว่ามีสติอยู่ระดับหนึ่งนะคุณเตือนใจอย่างสมมุติว่าเราอยากจะโกหกขึ้นมาอย่างเงี้ยวันนี้โกหกแม่ดีกว่าหรือโกหกเมียดีกว่าโกหกผัวดีกว่าอย่างเงี้ยวิยจ้าไม่ทําหรอกเนี่ยเราจะลึกได้ถึงความ ถึงความดีที่เรามีไง ใ, ในในกระบวนการนี้เดียวกันเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความละอายต่อ บ, บาปมีความกลัวต่อ บ, บาปนั่นคืออย่างสมมุติเราเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าเอ๊ะการเอาของขอ ง, ของราชาการหรือสมมติเอาของใช้ขในที่ทํางานกับบ้านอย่างเงี้ยเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนดีอย่างฉันไม่ทําหรอกนี่แ<ล>สดงว่าคุณมีความเขาเรียกว่าความกลัวต่อบาปความกลัวกับความละอายต่อบาป ใช่มเดี๋ยวละอายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโฉน่าจับได้ละอายว่าอุ๊ยเดี๋ยวคุณหนุ่มมารู้จะเสียชื่อของตระกูลของเราอย่างนี้เป็นต้นเสียชื่อที่เราศาสตร์สร้างสมมาอันนี้ ค, ค, คือความกลัวต่อบาปจก้า อ, อย่างงี้นะแต่ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราจะระลึกได้เองแล้วก็ไม่ทําละหรือว่าวางไม่ยอมทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเรื่องของการอาจจะมีการช่อลาดบังหลวงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะจุ๊ก้าที่รายแรงไปยิ่งกว่านั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่โยมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าจะเสียชื่อเสียงหรือว่ากลัวว่าเขาจะจับได้อย่างเดียวนะเจ้าคะถ้าดีกันอย่างจากเนื้อแท้ก็ต้องคือจิตใจเราเองนั้นไม่อยากท<ช>ําจึงแม้ ว, ว่ามีโอกาส<ช>ถูกไหมเจ้าคะใช่คือมันก็ค่อยๆฝึกไปไงคุณเใจ <c oughs> คือบางทีเนี่ย เ, เรายังฝึกไม่ได้ถึงระดับที่ว่าไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้เลยคือบางคน <c oughs> ข้าราชการดีๆบางคนหรือพนักงานดีๆบางคนเนี่ยเขาไม่คิดแม้เรื่องที่จะเอาของกลับบ้านหรือว่าชอบโกองอะไรเลยนะคือนี่มันเป็นปกติของเขาอยู่แล้ว แต่ถ้าสําหรับบางคนที่คิดอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณยังมีเครื่องที่มาคอยห้ามจิตกุนนะเช่นความดีที่คุณมีคอยเราแวงกลัวกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเงี้ยอย่างน้อยคุณยังไม่ทําก็ยังดีใช่ไหมถ้าคุณคฝึกไปฝึกไปมีสติไปเรื่อยๆไอ้เรื่องความคิดพวกนี้มันจะหายไปเลยมันจะไม่ต้องมามีกวนในจิตของเราเลยอย่างเงี้ยนะค่ะก็เรียกว่าเราก็จะมีจิตที่ใสบริสุทธิ์กันจริงๆนะเจ้คาค่ะได้พระพุทาบอกว่าแล้วว า, างได้พระพุทธเจ้าว่าตรงนี้เป็นจิตประพัดสอน เป็นจ<ช>ิตประภัฒน์สารเป็นจิตที่ใสสว่างแล้วก็มีกําลังใช้จอไปตรงไหนตรงนั้นก็แจ้งสว่างขึ้นมาใช้ไปจี้ไปตรงไห น, นปัญหาตรงนั้นก็คลายออกอย่างเงี้ยเจ้คาค่ะคือนอกจากทําให้ตัวเราเนี่ยสงบสว่างอย่างมีสติแล้วนะเจ้าคะโยมคิดว่าถ้าเผื่อเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้คือตั้งอยู่ในศีลเจริญสมาธิด้วยประฐานทั้ง4ด้วย3าอย่างอย่างที่พระอาจารย์ได้ได้ได้พูด ยกพุทธวจนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนพระภิกษุกรูปหนึ่งนั้นเนี่ยอยมคิดว่าถ้าถ้าเราทําอย่างนั้นนะเจ้าคะคนที่เข้าใกล้เราแวดล้อมคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวลูกเมียอะไรต่างๆลูกหลานหรือว่าแม้แต่เพื่อนร่วม ง, งานก็จะพอสงบสว่างไปด้วยใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะเขาจะได้เราเป็นที่พึ่ง ค, คือเราเป็นคนดีใช่ไหมพอเขามาใกล้กับคนดีนั่นจะเป็นมงคลสําหรับเขาอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําเขาไปในทางชั่ว ใช่ไหมซึ่งพอถึงจุดสรุปตรงนี้เราจะสรุปได้เลยว่าอ่อนนั่นเพราะอะไรเพราะเราอาศัยศีลเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ด้วยอาการทั้ง3มอยู่เรื่อยๆนะคุณทำอยู่เรื่อยๆมีศีลอยู่เรื่อยๆเจริญสติปัฏฐาน4ีด้วยอาการทั้งสาภายในภายนอกมีศีลอยู่เรื่อยๆเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ด้วยอาการทั้ง3าภายในภายนอกทําไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราเป็นสุขไม่ใช่แค่เราเท่านั้นครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะทุกคนสิ่งแวดล้อมประเทศชาติมีความสุขขึ้นมาได้เจ้ค่ะ สังคมก็บังเกิดความร่มเย็นนะเจ้าคะใช่เจ้าค่ะแล้วพอพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือส่วนรวมก็คือตัวเราเองด้วยนะเจ้าค่ะทำไปได้เราขึ้นได้คนอื่นขึ้นตามเราก็ขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างพิสูุรูปนั้นพอหลีกไปแล้วนะก็ไปปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าสอนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีสุขสงบ และก็สว่างทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเรานะเจ้าคะ่ะถูกต้องเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะก็มีเวลาเหลือในรายการอยู่บ้างเล็กน้อยนะเจ้าคะวันนี้เราได้ตอบอปัญหาซึ่งคิดว่าคุณกระยาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เขียนมานั้นเนี่ยคงจะได้ให้ความรู้และประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะเพราะว่ารายการธรรมาราบุรุนของเรานั้นเนี่ยมีเสนอไม่ว่าจะเป็นที่พระอาจารย์ ภับุญอภิปุโ น, โนท่านได้บรรยายองค์เดียวที่หยิบยกพุทธวจนะหรือว่าคําสอนอะไรต่างๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มานําเสนอท่าผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าเท่านั้นเรายังมีช่วงของการที่จะสนทนาธรรมะอย่างเช่นสากฉายเช่นในเช้า ว, วันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรที่มีความคลองใจในธรรมะข้อไหนก็ตามหรือว่ามีความทุกข์ร้อนใจ อันเกี่ยวเนื่องจากเรื่องอะไรก็ตามอยากจะให้ธรรมะขององค์พระสามาสมพุทุเจ้าได้มาชะล้างหรือชโรมจิตใจของท่านก็เขียนถามเกินมาได้ในรายการธรรมรับอรุณซึ่งเราก็มีพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนท่านในเมตตาที่จะสักชารกัน สุดท้ายนี้พระอาจารย์ไปบุญไม่ทราบว่าจะพระอาจารย์จะมีอะไรฝากท้ายอีกไหมเจ้าคะ่ะในช่วงสุดท้ายของรายการเ <c oughs> จ้าคะ่ะที่ม <c oughs> ุ่งเจ้าค่ะามาก็จะต้องย้ำพุทธวจนะตรงนี้นะพระเจ้าบอกว่าให้เธอนั้นตั้งอยู่ในศีล น, นะแล้วก็เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ด้วยอาการทั้งสนะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราบรูลุถึงที่สุดใงการปฏิบัติได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยงก็ กราบนมัสการกราบขอพระคุณอย่างสูงนะเจ้าคะ่ะแทนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันเสาร์ที่17มีนาคมนี้นะเจ้าคะ่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็คงจะต้องนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนลูกศิษย์เอก ข, ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลิศเจสอาดทิโตภโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตีห้าเปิดสถานีเราก็พบ ก, กันใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะสําหรับในเช้าวันนี้มากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเพียนบาลสาธุเจ้าค่ะ